อย่างเวลาเราคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องที่พระพเจ้าแบ่งเป็นสองค่ายก่อนค่ายเรื่องที่เร่งด่วนกับค่ายที่เป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วนค่ายที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็คือค่ายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรามีความทุกข์ใช่ไ้วเราจะแก้ทุกข์ยังไงเรามีความเห็นต่อการแก้ทุกข์ยังไง เรามองเห็นความสุขเป็นความทุกข์ไหมเรามองเห็นความทุกข์เป็นความสุขหรือเปล่าเรามองได้ตรงตามความเป็นจริงหรื อ, อยังแล้วข้อปฏิบัติในการที่เราจะทาตัวเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์คืออะไรสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเร่งด่วนแล้วเรื่องที่ไม่เร่งด่วนอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นไอเรื่องเนี้ยการเกิดเป็นคนยากไหมอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะแล้วก็ เทวดามีจริงหรือเปล่าหรือผีมีจริงไหมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องไม่เร่งด่วนคือไม่รู้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วรู้จริงๆด้วยนะรู้แบบที่ตัวเองพิสูจน์ได้ด้วยเนี่ยมันทําให้เราไม่ประมาะเราจะได้มีกำลังใจที่เราจะมารู้ในเรื่องเร่งด่วนดีขึ้นไปอีกมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้น แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักใหญ่ใจความสําคัญของการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่อะมันมีความต้องการความสุขแล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์เสมอกันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆเกิดเป็นสัตว์ก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์อันนี้คือเรื่องเร่งด่วน เพราะฉะนั้นถ้าคุยเรื่องเรื่องเร่งด่วนอันนี้เราเอาเรื่องเร่งด่วนมาคุยเห็นนะมันก็จะจบลงได้แบบที่สบายๆแต่ถ้าเราไปคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครแต่ใครที่จะจะเชื่อยังไงก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเชื่อที่มันถูกตรงขึ้นเราก็จะมีกาลังใจที่จะ ทำเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องแก้ทุกเนี่ยให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนรกสวรรค์แล้วเราแก้ทุกได้ไหมต้องบอกว่าได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าทุกมันอยู่ณปัจจุบันเราใช่ไหมอะไรที่มันทําให้เราทุกอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเออนรกสวรรค์เราเชื่อว่ามันมีจริงใช่ไหม มันก็จะมาเสริมตรงนี้ที่ว่าเราก็จะไม่ไม่ประมาทในการาเราจะไม่ทําบาสนะเราจะเร่งสั่งสมบุญนะแล้วการที่ถ้าเรามีบาปเป็นตัวนําพาไปเนี่ยมันไปทุกขตินะมันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ mm. เกิดเป็นสัตว์นรกนะ mm. เกิดเป็นเปรตได้นะ mm. เกิดเป็นอสุรกายได้เหล่านี้แต่ถ้าเรามีบุญนําพาไป ถึงเรายังทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เราก็มีสุคติเป็นที่ที่เราจะการันตีตัวเราได้ว่าเออถ้าเราตายไปนะเราก็น่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมเหล่านี้ก็คือเป็นในภูมิที่มีทุกข์น้อยมีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วก็เป็นภูมิที่สังสมบุญได้ง่ายกว่าภูมิที่อยู่ในทุคติ นันก็จึงบอกว่ามีเรื่องที่เร่งด่วนและไม่เร่ง ด, วด่วนถ้าเราคุยเรื่องเร่งด่วนเนี่ยคุยแล้วมันจบจบในตัวได้แต่ถ้าเรื่องไม่เร่งด่วนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในวิสัยของคนผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ไหมถ้าพิสูจน์ไม่ได้แล้วเขาเลือกเชื่อไหมแล้วเชื่ออย่างมีสติไหมหรือจะเชื่ออย่างงม ง, งายขาดสติอันนี้ก็แล้วแต่กันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าจะให้ดีก็ต้อง ย้อนกลับมาตรงนี้แหละไอเรื่องเร่งด่วนอันนี้พยายามทำไอเรื่องเร่งด่วนอันนี้ให้ให้ดีเราจะได้มีคุณภาพชีวิตณตอนเนี้ยไม่ต้องตอนไหนแล้วเอานะตอนเนี้ยคุณภาพชีวิตเรามันจะได้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะเรารู้ทันใจของเราดีขึ้นเราเท่าทันจิตใจของเราเราก็จะป้องกันสิ่งที่มันจะมากระทบใจเราดีขึ้นก็เหมือนอย่างที่คุยไปเมื่อช่วงเช้าที่ว่า ถ้าเราไม่ฝึกใจเลยเนี่ยใจเรามันก็กินอารมณ์โม้ซั่วอยากคิดอะไรก็คิดอยากเห็นอะไรก็เห็นแล้วเราก็คว้าอารมณ์นั้นไว้ฟังฟังอะไรมาก็คว้ามาเป็นอารมณ์อยู่ในใจไว้แต่ถ้าใจเราได้รับการอบรมจากสติดีแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะมีที่อยู่ให้ใจละเราก็เลือกได้ที่เราจะเลือกอยู่ตรงนี้หรือเลือกที่จะไปรับอารมณ์ภายนอกอย่างตอนนี้อารมณ์ภายนอกคืออะไร คือเสียงที่เรากําลังฟังอยู่แต่เสียงอันนี้ประมวลแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสียงที่เป็นไปเพื่อทำให้เรามีความหนาใครายกายหนับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพานใช่ไหมเพราะนั้นเราประมวลแล้วว่าเอมันเป็นเสียงที่ฝ่ายดีนะอย่างนั้นเราก็เอาใจเนี่ยกินอารมณ์นี้ได้แต่ถ้าในาทํานองกลับกัน เป็นเสียงที่เป็นเสียงบน่นเป็นเสียงนินทาเป็นเสียงคุยเลื่อยเปื่อยเพื่อเจ้อไปอเงี้ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาใจหลีกออกจากเสียงเหล่านั้นเอามาอยู่กับพุทโธอยู่ในภายในของเราใจที่อบรมดีแล้วก็จะเลือกได้เลือกที่จะเสพอารมณ์ดีหรืออารมณ์ในฝ่ายไม่ดีอารมณ์ที่ฝ่ายดีเราก็เสพได้อารมณ์ที่ฝ่ายไม่ดีเราก็คัดกรองออกไปได้ อันนี้คือบุคคลที่ฝึกฝึกดีแล้วก็จะได้รับศักยภาพในการคัดกรองอารมณ์ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราเสพอารมณ์ไม่เลือกคุณภาพจิตใจโดยรวมเนี่ยมันต้องขุนมัวเศร้าหมองมากกว่าบุคคลที่คัดกรองอารมณ์ให้กับจิตใจอยู่แล้วเป็นธรรมดาใช่ไหมการที่เราเห็นฟังเห็นคนลินทากันแล้วเราไปฟังเ้านินทา แล้วเราก็รับมาทุกเรื่องทุกอย่างสุดท้ายมันก็เป็นขยะในใจเราแต่ถ้าเราอยู่ในวงนินทาแล้วเราก็จำเป็นต้องฟังเราก็ฟังไปแต่ใจเราอยู่กับพุทโธป้องกันอารมณ์เอาไว้แน่นอนอะอารมณ์เรามันจะต้องไม่ขุนมัวเศ้าหมองมากเท่ากับการที่เราอินไปกับการอยู่ในสังคมแบบนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตอะ ข้างนอกอะ่ะมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็คือคุณภาพชีวิตภายในของเรามันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนใจเราจะต้องไม่มีขยะมากเท่าเก่าพอใจเราไม่มีขยะมากเท่าเก่ามันก็เบาสบายปลอดโปร่งเป็นคนที่มีอารมณ์ในใจเบาสบายปลอดโปร่งได้มากขึ้นดีขึ้นประณีขึ้นแล้วก็นานขึ้น แล้วคนเราอะจุดใหญ่สําคัญมันก็คือสุขทุกข์กที่ใจใช่ไหมแต่การที่เรามีใจที่ขุนมัวเศรหมองอะคุณภาพชีวิตเราก็ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเราปรับให้มันเป็นคุณภาพใจที่ดีคือเบาสบายปลอดโปร่งผ่องใสแบบนี้โอ้ยชีวิตนี้มันก็ดีแหละแล้วเงินซื้อก็ไม่ได้ใช่ไหมสาคัญก็คือเงินซื้อไม่ได้ใครทําให้ก็ไม่ได้อีกได้ต้อง ตัวเองเท่านั้นเลยอัตตาหิอัตโนนาโถเท่านั้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนฟังได้พูดให้กำลังใจได้แนะนำได้แต่สุดท้ายสิ่งที่แนะนำสิ่งที่พูดเราต้องนำไปทำให้เกิดเป็นผลที่จิตใจของเราฟังเข้าใจตามตรร ก, กะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำให้มันเป็นผลกับจิตใจเนี่ยอันนี้มันดีแค่ แค่ชั้นต้นอย่างเดียวชั้นก็เรียกชั้นของสัมมาทิฏฐิเฉยๆแต่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่เดินเครื่องเลยฮะมันก็มักมันไม่สมัครชีมักมันไม่รวมพลังกันมันก็เกิดผลกับจิตใจได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราทําให้ทั้งความกระบวนการความคิดความเห็นก่อนเห็นถูกต้องแล้ว แล้วก็คิดถูกด้วยคิดถูกคือไงคิดออกจากการามคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่พยาบาทเป็นเบื้องต้นนะส่วนจะคิดให้ทานคิดมีเกียรใจจะมาภาวนาหรืออะไรเหล่านี้ก็ส่วนเกินไปส่วนเพิ่มเติมไปส่วนเวลาเราพูดเราไม่พูดโกหกใช่ไหมเราไม่พูดเพ้อเจ้อส่อเสียไม่พูดคําหยาเหล่านี้มันก็เป็นฝ่ายดีที่เราก็องตีกรอบชีวิตของเราไว้ ถ้าเราทําแบบนี้พูดแล้วก็พูดแนวนี้ได้ใช่ไหมคิดแล้วก็คิดแนวนี้เวลาที่เราสัมมาอาชีวะเราประกอบอาชีพเราไม่ไม่ค้ามนุษย์เราไม่ค้าอาวุธเราไม่ชอบโกงใครเพื่อดํารงชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเลี้ยงชีวิตโดยชอบสัมมาวายามะความเพียร เ, เราประกอบความเพียรให้จิตเราเป็นกุศลหนึงน่งเนงอกุศลที่มันขึ้นอยู่มาในใจของเรา กับความคิดของเราเรามีสติเราเท่าทันเราก็เพียนที่มันจะละสิ่งที่มันไม่ดีออกเพียนที่จะทำให้สัมมาสติมันเกิดขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้ใด้ตลอดตลอดมันก็ไปได้ใช่ไหมสติเราเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นได้บ่อยๆสัมมาสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันครบท่วนครบองค์ครบบริบูรณ์เหล่านี้นี่มันมันชีวิตมันต้องดีแน่นอน นั้นก็นี่แหละเราก็ต้องพยายามทําด้วยทําให้มันเกิดเป็นผลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มันเบาสบายปลอดโปร่งแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นไทยต่ออํานาจฝ่ายไม่ดีมีอํานาจต่อจิตใจของเราเองไม่ให้ฝ่ายไม่ดีมันมาชับจุงคอยบังคับบัญชาให้เราทํานั่นทํำนี่ไป อันนี้ตอบแล้วอันนี้ตอบแล้วอันนี้ไม่ได้ตอบทีนี้การปฏิบัติเราใช่ไหมการปฏิบัติเราเราอันนี้เขาเรียกว่าสนามซ้อมเราเข้าสนามซ้อมอยู่สนามซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับเข้าไปในชีวิตจริงอย่างเราอาจจะมีจังหวะโอกาสที่ดีจังหวะโอกาสที่อาจจะ มีโอกาสว่างอะ่ะสำหรับบางคนอาจจะหาโอกาสว่างยากถ้าเรามีโอกาสว่างอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเราเลือกที่จะใช้ไปในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เติมแต้มบวกเติมอาหารดีๆให้กับจิตใจเพิ่มทักษะทางด้านจิตใจด้วยจะเป็นเรื่องดีมากแล้วยิ่งถ้าเรามีโอกาสที่เราได้ไปเข้าคอร์ส อบรมปฏิบัติธรรมเงี้ยมันก็ต่อเนื่องหลายวันมันก็น่าจะมีผลที่มันต่อเนื่องได้ดีอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้อยากจะบอกคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเป็นสิงสนามซ้อมไม่ได้เราจะเก่งในในสนามซ้อมไม่ได้เราต้องเป็นสิงสนามจริงให้ได้จุดมุ่งหมายของคนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นสิงสนามจริงให้ได้ ถ้าเก่งแต่ในสนามซ้อมอย่างเดียวมันทำให้คุณภาพชีวิตเรามันดีแค่ระดับนี่แต่มันไม่ดีทั้งหมดเพราะว่าชีวิตเรามันอยู่ในคอนดิชันแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราต้องทําอาหากินเราต้องพบปะผู้คนเราต้องไปนั่นมานี่เพราะนั้นอันนั้นคือสนามจริงของเราจริงๆที่เราจะต้องเจอข้อสอบที่เราจะต้องโดนบททดสอบที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ ผ่านไปให้ได้คือใจเรามันไม่หวั่นไหวใจเรามันไม่มีไปยึดไปถือไปเก็บมันเอามาใส่ในใจเราไม่ทำให้มันหนักอยู่ในใจของเราอันนี้ก็คือสนามจริงอะ่ะที่เราต้องผ่านไปให้ได้แต่สนามซ้อมเนี่ยไม่มีใครมาบากมาด่าเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครที่จะแบบทำอะไรไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีแต่คอนดิชันดี ที่จะทำให้เอื้อง่ายต่อการที่เราจะฝึกฝึกสติให้สมาสติเกิดขึ้นให้ได้ดีๆฝึกให้ได้สมาธิสมาสมาธิให้ได้ ด, ดีแล้วก็มีการฟังมีการพิจารณาว่าเออในบางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็ได้ยินได้ฟังในบางเรื่องเราเข้าใจในแง่มงุมนี้เออแต่ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เรายังไม่เคยพิจารณานะ ต่างๆที่เราได้จากสนามซ้อมแบบนี้แหละเราก็จะเอาไปใช้ในสนามจริงในชีวิตจริงของเราเพราะฉะนั้นมาแบบนี้นะเราต้องทําให้มันอยู่ในชีวิตจริงให้ได้ค่อยๆเอาทักษะที่เราได้เนี่ยไปแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ช่วงเช้าก็อย่างที่บอกไปแล้วช่วงเช้ากก่อนนอ น, นมันก็เป็นอะไรที่ง่ายที่เราจะดึงใจของเราออกจากกิเลส มาอยู่กับธรรมะใช่ไหมเราก็จะมีสติที่คอยเห็นกาย mm. เห็นใจของเราอยู่คอยดึงสติมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ที่เรียกว่าพุทโธ ท, ที่เรียกว่าลมหายใจก็ดีเนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ฝึกความเคยชินฝึกความคุ้นชินมันได้ดีอย่างน้อยๆสองช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นสองช่วงเวลาที่ที่เราทําได้ง่ายที่สุดแหละส่วนในระหว่างวันอันนี้ก็ตามแต่สถานะของแต่ละคนแต่ละคนที่ เราจะแทรกมันลงไปตรงไหนอันเนี้ยก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทาให้หลอดการงานที่ยังไงเราก็ทําทุกวันอยู่แล้วเราจะมีหลอดไอ้การงานภายในอีกอันหนึ่งที่เราจะทําให้มันควบคู่กันไปให้มันได้พอทําไปได้แล้วเนี่ยมันก็กลมกลืนไปกับชีวิตการงานปกติของเราเนั่นแหละบางคนสมัยก่อนน่ะ สมัยก่อนเราเด็กๆเขาช อ, ชอบพูดว่ามีภาพลักษณ์ของคนปฏิบัติธรรมก็แบบเป็นคนแบบไม่เอาอะไรต้องมานั่งนิ่งๆเส้นเสื้ออะไรอย่างงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคนปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันนั้นมันยังทําไม่ค่อยดียังติดสนามซ้อมเกินไปพอเสร็จปุ๊บเลยอยู่ในสนามจริงเนี่ย เราต้องทําทุกๆอิริยาบถของเราอ่ะค่อยๆแทรก ม, มันลงไปให้มันกลมกลืนกับชีวิตเราอ่ะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติทําได้ดีอ่ะคนข้างนอกก็ไม่รู้หรอกเพราะมันกลมกลืนไปหมดกลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันปกติของเขาไปการงานภายนอกการงานภายในเขาทาได้อย่างสม่ําเสมอควบคู่กันไปเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษหรือยาณ ว, วิถีที่เราจะไปส่องจิตของเขาได้เ เราก็จะไม่รู้หรอกว่าเออเขาตอนนี้เขามีสติรักษาใจอยู่หรือเขาไม่มีสติรักษาใจอยู่แต่ถ้าเรามีเครื่องมือพิเศษที่เราสามารถรู้ได้เนี่ยเราไปเจอคนที่เขาปฏิบัติทาดีๆเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาก็ทำทุกอย่างมาันเรานั่นแหละแต่เขามีการงานภายในอีกตัวหนึ่งที่เขาคอยทำควบคู่กันไปด้วยตลอดเวลาซึ่งบุคคลประเภทเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ พอบ่องบอกได้บ้างว่าวิธีการประพฤติของเขาก็จะสะอาดหมายถึงว่าศีลเขาก็ดูดีมีศีลเขาก็จะบริบูรณนะ์นะศีลข้อประพฤติปฏิบัติของเขาอ่ะมันก็จะดูงามงดงามแล้วเวลาที่เขาจะเราอยากจะดูอ่ะเวลาเขามีเรื่องมีราวอะไรปุ๊บเนีเขาเป็นคนที่ อารมณ์ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องราวต่างๆเราก็พออนุบานได้ว่าเออเขาก็เป็นคนรักษาจิตใจอยู่ตลอดมีสมาธิมีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นอยู่ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องราวต่างๆอย่างเวลาเราสั่งสนทนากับเขาเราก็พอจะรู้ได้ว่าเออเขามีแนวคิดแบบนี้เออตรงกับการใช้แก้ทุกข์ได้ดีเราก็รู้ลวโอ้คนนี้มีเป็นคนฉลาดเป็นคนที่พิจารณาได้อย่าง อย่างแยบคายเป็นคนที่มีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้ดีอันนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อก็เป็นคนที่มีปัญญานะในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามีเป็นคนมีปัญญาที่จะรู้รู้เท่าทันความความเป็นจริงรู้ว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือแง่มุมของกิเลสหลายๆแ ง, ง่ที่เราจะต้องให้ไปตามมันแล้วเราจะแก้มันยังไงเราก็รู้เ น, นี้ แล้ววิธีปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะแต่อิริยาบถนั่งอย่างเดียวอิริยาบถเดินก็มียืนเดินนั่งนอนมันก็ต้องให้เสมอกันนะแต่นอนก็ไม่ต้องทําบ่อยเอาทำตอนนอนพอยืนเดินนั่งเราก็ควรจะทําให้มันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราเร า, เรามียืนเดินนั่งใช่ไหมยืนเดินนั่งมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยยืนเดินนั่ง เพรฉะเราคุ้นชินกับการที่เรามีสติในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวมันมันก็ก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมเราก็ควรจะทําให้มันกลมกลื่อนไปอ่ะอิริยาบถเดินเรารู้ว่าเราควรจะวางสติแบบไหนเราจะควรจะกําหนดยังไงเราก็ควรจะต้องมีชั่วโมงบินด้วยอิริยาบถยืนหรือเดินเราควรจะกําหนดสติของเรายัางไงให้สติของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในภายในรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันกิเลสในใจของเรา แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาสรุปแหละมันก็ไม่ต่างกันหรอกระหว่างยืนเดินนั่งอะ่ะแล้วก็มีสติคอยอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธเป็นเครื่องอยู่ถ้าถึงบอกอะ่ะว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธเป็นบ้านหลังใหม่ของของใจเราแล้วเราก็จะเห็นอะ่ะไอ้บ้านหลังเนี้ยมันทําให้เวลาที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจกับพุทโธเนี่ยมันจะเป็นเป็นที่ที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นความคิด เห็นร่างกายของเราเห็นใจของเราไปด้วยพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายแก่การบริหารจัดการการงานภายในไปด้วยว่าใจของเราเนี่ยเผลอออกจากพุทโธเผลอออกจากลมหายใจไปทางความคิดแล้วนะและไอ้ความคิดอันนี้ประมวลแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดเกี่ยวกับการมราคะเป็นต้น เราอย่าปล่อยให้ใจเรามันเพลินไปกับความคิดอันนี้เราก็รีบดึงกลับมาไว้ที่พุทโธไว้ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นใจเรามันก็จะไม่โดนฉาบย้อมไปด้วยราคะมากเท่าเก่าเพราะเรามีสติคอยรักษาอยู่แต่ทีนี้โดยธรรมชาติของสติอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดเกิดดับดับเหมือนกัน มันไม่ใช่จะเป็นธรรมชาติที่แบบเห tread. มือนเป็นเส้นตรงยาวเหยียดมันไม่ใช่มันก็เป็นธรรมชาติเกิดแล้วมันกระดับเกิดแล้วมันกระดับเกิดแล้วมันกระดับไปเนี่ยเพราะนั้นเราก็คอยสังเกตมัาอยู่ตรงนี้แหละสติเราอยู่ตรงนี้แล้วเราคอยสังเกตใจสังเกตอารมณ์เราเราก็เห็นใช่ไหมล่ะ อ, ออารมณ์เราขุ่นมัวไหมอารมณ์เราผ่องใสไห ม, ช, มช่ําชื่นไหมเราก็เห็นอยู่ตรงนี้แหละเพรจะทําอะไรก็ทําไปอารมณ์ดี ก็ดีอารมณ์ไม่ดีแร้ก็ช่างมันไว้แต่ถ้าเราสมใจไปหาอารมณ์ไม่ดีมาเป็นอารมณ์ไม่ดีของเราแล้วนะอารมณ์ดีก็เป็นอารมณ์ดีของเราเพราะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นไทยให้มันมากขึ้นแบกกว่านี้อารมณ์ดีผ่องใสคุณมัวก็เป็นต่างหากช่างมันเราก็ดึงใจเรากลับขึ้นมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าตรงนี้ความเป็นเราอยู่ที่สติเฉพาะหน้าตรงนี้ เราจะได้เป็นไทยต่ออารมณ์อารมณ์ก็จะไม่ครอบงำใจของเราแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าไม่ทำตามอารมณ์ไม่มัวเมาในอารมณ์เพราะเราอยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นที่ที่ใจถ้าเราเอาความเป็นเรายกขึ้นมาไว้ตรงนี้ได้อารมณ์ในใจมันจะควบคุมความเป็นเราไม่ได้ ถ้าเรารักษาใจของเราอยู่ตรงนี้พยายามจะให้มันฝ่องใสยยงตรงนี้หมุนคุณมัวเราก็พยายามจะแก้มันตรงนี้อันนี้มันก็เป็นงานหนักหน่อยพอมันดีเราก็เพลินกับความยินดีกับความดีแต่พอมันไม่ดีเราก็เศร้าหมองขุนมัวซ้ำเติมไปอีกกับความไม่ดีตรงนี้มันก็เรียกว่าอะไรตะลุมบอลัวเนียกันอยู่อย่างนั้นแะ ว่าเราก็ถอดออกเราถอดความเป็นเราออกมาอยู่ตรงนี้ซะเป็นผู้ดูซะพอเป็นผู้ดูมันมันก็ไม่ใช่เราแล้ ว, ลวอยากซัด ก, กะซัด ก, กันไป น, น, นะนะอยากจะพาเราไปทำไม่ดีเราก็ไม่ไปเราอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอำนาจในการที่เราจะฝืนใจของเราอ่ะมันก็จะดีขึ้นฝืนอำนาจความอยากของใจเราก็จะทำได้ดีขึ้น แล้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยธรรมะมันก็เจริญได้ด้วยความฝืนใจนะฝืนใจถ้าฝืนใจได้ธรรมะมันก็เจริญได้ดีนะฝืนความอยากในใจอ่ะถ้าความว่าฝืนใจมันก็รวบกันไปนิดหน่อยแต่ถ้าฝืนความอยากในใจได้มันดีแน่นอนเพราะนั้นอยากดีเราก็รู้เราก็อยู่ตรงนี้อยากไม่ดีเราก็รู้เราก็อยู่ตรงนี้ พออยู่ตรงนี้เสร็จเราเลือกได้ถ้าอยากดีแล้วเราควรทำไหมถ้าควรทำล้วก็ทำแต่ถ้าไม่ควรทำถึงอยากดีอยากทำแต่ถ้าไม่ควรทำก็ต้องไม่ทาเหมือนกันความอยากที่จะทำความดีบางครั้งมันไม่ได้ดีทุกครั้งนะยกตัวอย่างติ่ต่างอะ่ะหมาแมวในวัดเยอะเ ง, งี้ยคนไปโอ้ยทาไม ดูพร้อมจังเอาข้ามาให้เอาวางไว้สามสี่หย่อมสุดท้ายให้เยอะกินไม่หมดมันก็เป็นกองขยะในวัดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอยากทําดีเขาเ้าใจว่าอยากทําดีแต่อยากแต่ดีอย่างเงี้ยมันดีตามอยากยังไม่ดีตามที่มันควรจะเป็นใช่ไหมอย่างใช้มันดีตามที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะต้องดูด้วยว่า หลังจากที่ให้ไปแล้วมันกินหมดไหมถ้ามันกินหมดหรือไม่หมดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาทำความสะอาดด้วยอันนี้คือดีตามจริงไม่ใช่ดีตามใจแต่ถ้าดีตามใจฉันอยากให้ฉันให้เสร็จหายอยากเลยใช่ไหมฉนองนิดเสร็จแล้วปุ๊บไปแล้วมันจะเป็นภาระกับใครก็ไม่สนใจและเพราะฉันทำตามอยากได้แล้วอย่างนี้นะแต่มันเป็นความอยากที่ เหมือนกับใส่สูตรผูกเนคไทดูดีไงไอ้ฉันให้นะฉันได้ทําบุญนะเอทําบุญก็จริงแต่มันยังเป็นภาระคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ใช่แค่สนองความอยากเราอย่างเดียวเราต้องทําให้มันครบถ้วนกระบวนความด้วยว่าเออหลังจากที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นขยะไงหลังจากที่กินเสร็จแล้วมันก็เป็นขยะไงเราก็ต้องทําความสะอาดอันนี้มันถึงจะครบถ้วนกระบวนวาม ในการทำความดีเพราะนั้นเราจะไม่ได้ทำดีแค่ตามอยากแต่ทำดีในสิ่งที่ควรจะต้องทำด้วยเพราะนั้นอะไรที่มันจะทำให้เราคิดได้รอบครอบขนาดนั้นก็คือยอย่างที่ว่าก็ต้องเห็นใจตัวเองไงว่าเราทำไปเพราะสนองความอยากเราอย่างเดียวหรือเปล่า <S <S ถ้าเราทำเฉพาะสนองความอยากเราอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ใช่แหละเราก็ต้องติดเบร k ซะก่อน คิดใคร่ควนก่อนว่าทําแล้วเป็นยังไงผลที่ได้มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความเดือดร้อนอะไรตามมาไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันมีเราจะแก้ไขยังไงต่อไปจากผลของมันอะไรเงี้ยเราก็จะอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่าไม่ใช่แค่ทําดีตามอยากนะเพราะฉะนั้นไอสติที่เราเคอยเห็นใจเห็นความอยากในใจตัวเนี้ยจึงเป็นตัวต้นของกระบวนการทั้งหมด ซึ่งอันนี้มันเกิดได้จากไหนเกิดได้จากอย่างนี้แหละเกิดได้จากการที่เราฝึกใจของเราให้มันอยู่กับพุทโธได้บ่อยๆให้มันอยู่กับลมหายใจให้ได้บ่อยๆพอมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเผลอไปตรงไหนเราจึงจะเห็นไงแต่ถ้ามันไม่มีที่อยู่เลยอ่ะมันเผลอไปยังไงมันดูยากเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่มีเครื่องอยู่ให้มันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้ตกลงแล้วมันเผลอหรือมันไม่เผลอแล้วเผลอไปในด้านดีหรือเผลอไปในด้านไม่ดี อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสติมันก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเฉพาะนั่งอย่างเดียวยืนอย่างเดียวเดินอย่างเดียวมันก็ต้องทุกทุกอย่างของชีวิตเราเราต้องมีสติคอยกำกับเราสติมันก็เป็นธรรมชาติเกิดดับอะธรรมชาติเกิดดับเพราะฉะนั้นคาว่าสติกับสมาธิบางทีมันจะคลาบเกี่ยวกันนะสติที่มันอยู่อยู่ที่เดียวใช่ไห สติที primo, ่มันอยู่กับเรื่องเดียวแต่มันก็เกิดดับกับเรื่องเดียวอันนั้นน่ะมันก็เรียกว่าเป็นสมาธิถ้ามันเกิดดับกับเรื่องเดียวต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันกินอารมณ์นั้นต่อเนื่องมันก็อารมณ์ในใจเราตั้งมั่นลงในอารมณ์นี้ก็จึงเรียกว่ามีสมาธิสมาธิไม่ใช่ว่าหูดับสมาธิไม่ใช่ว่าความคิดดับ ต, ตัวสมาธิแท้ๆก็คืออารมณ์ในใจที่มันไม่หวั่นไหวไม่ไหวติงไปกับสิ่งที่มันมากระทบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสมาธิเรามีความเห็นว่าเรามีสมาธิที่ดีคือการที่เราต้องสนใจอยู่กับเรื่องเดียวอันเดียวอย่างเดียวเท่านั้นตาเราก็ไม่ดูอย่างอื่นเลย หูแล้วก็ไม่ฟังอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยจึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นสมาธิได้ใช่ป่ะเราอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากเราอยู่ในท่ามกลางการทำงานเราก็เป็นสมาธิได้เพราะใจเรามันไม่หวั่นไหวไงอารมณ์ในใจเรามันไม่ได้หวั่นไหวไปทางไหนอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเราจึงจะทรงสมาธิของเราเอาไว้ได้คืออารมณ์เรามันไม่หวั่นไหวไปไหน อารมณ์เรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังอันนี้ขึ้นชื่อว่าเราทรงสมาธิเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอารมณ์ในใจของเราเราไม่เห็นนะถ้าเราไม่เห็นอารมณ์ในใจของเราอะไม่เห็นเราไม่เห็นอารมณ์ในใจตัวเองอะบางทีมันก็ไม่รู้จักคําว่าสมาธิเหมือนกันนะพูดยากแต่คนที่เห็นอารมณ์ในใจตัวเองอะคนนั้น บุคคลนั้นก็จะเข้าใจคำว่าสมาธิได้ดีขึ้นเพราะนั้นสมาธิส่วนหนึ่งสติส่วนหนึ่งมันจึงเป็นอะไรที่เกือบจะเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสติเป็นเครื่องระลึกแต่เราระลึกในสิ่งเดียวระลึกได้แต่เราจะให้มันเป็นท่อนไม้เป็นใ ไ, ไม่ได้เพราะสติมันก็เป็นธรรมาชาติตามไตรลักษนั่นแหละมันก็เกิดดับเกิดดับของมันนั่นแหละ เราก็พยายามให้มันเกิดดับเกิดดับอยู่ในที่ที่เดียวอยู่ที่ที่เราจะรักษามันได้ก็คือที่พุทโธนั่นแหละส่วนตาเราจะเห็นอะไรส่วนขาเราจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันเป็นแค่อาการของกายเฉยๆเอ๋ถ้าใจเรามไม่ได้ไปกังวลถ้าใจเราไปกังวลกับมันน่ะแน่นอนแหละถ้าใจเรากังวลเราก็เป็นอารมณ์กับมันใช่ไหม มันก็ไม่เป็นสมาธิแหละว่างกันเถอะเราก็มีแค่สติที่คอยเห็นมันเฉยๆแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราไม่ละเอียดละออรอบข้อสติของเรามันก็จะโดนความอยากขโมยไปอีกโดยที่เรายังคิดว่าเรายังอยู่ในแดนบวกอยู่แดนบวกแดนที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความอยากมันขโมยออกไปอีกความหลงขโมยออกไปอีก เราก็จะไม่ดู้นะอันเนี้ยอันนี้ก็คือดาบสองดาบสามที่บางทีถ้าเราไม่สังเกตให้ดีบางทีไม่ค่อยเห็นบางครั้งเราอยากจะทรงสมาธิของเราให้มันต่อเนื่องอยากนะอยากทรงให้มันได้อย่างต่อเนื่องความอยากมันก็สอยเราไปกินเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจใช่ไ่ม เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ราวเลยแล้วโอ้ยเราก็เดนเดินเดินเหยียบย่าบนกองกิเลสนั่นแหละกิเลสเราก็จุ่มลงไปนะโอ้ยเราอยากจะเดินอย่างเป็นสมาธิอยากเดินอย่างเป็นสมาธิเองกิเลสเอาไปกินหมดแล้วความอยากสอยกินสอยเอาไปกินหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะกระครับประคองให้เราอยู่ในโซนของสัมมาสติ ได้ดีก็คือความเป็นกลางๆของทางด้านจิตใจของเราเนี่ยแหละเพราะนั้นอยากก็ทำไม่อยากก็ทำขี้เกียจก็ทาขยันก็ทำถ้าเราทำอย่างนี้ได้อะใจเรามันก็จะเป็นกลางๆอ่ะกลางๆอันนี้มันจะพอจะรับประกันได้ดีว่าเราจะไม่โดนความอยากครับนาจิตใจแบบไม่รู้ตัว เพรัการที่เราจะเดินจงกรมอันนี้ <c oughs> เดินอยากจะทรงสมาธิให้ดีเดินแล้วก็เดินรู้สึกเออมันขัดสมาธิขัดใจอยู่ตลอดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเดินต่อนเนื่องหรือเดินไม่ต่อนเนื่องหรอกมันอยู่ที่ว่ากิริยาอาการของใจเราเนี่ยเราเท่าทันมันได้ดีน้อยขนาดไหนอย่างหลวงตามหาบัวท่านก็เล่าใช่ไหมตอนท่านเดินธุดงอะ่ะนั้นก็เดิน เดินทัวันั่นแหละแต่ท่านก็บอกการเดินเดินจากที่1ไปที่1ของท่านอ่ะแบกกดแบกยามไปจากป่านี้ไปป่า น, นู้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเดินจงกลมของท่านแต่มันจะไม่ใช่อาการเดินจงกลมแบบที่ที่เราคุยคุยกันอ่ะคุยกันคือเราเป็นรูปแบบเรามีพื้นที่ที่เราจะต้องเดินตรงโ น, น้นเดินกลับไปกลับมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเรียกสนามซ้อมสนามซ้อม ใช่ไหมแต่นี่ชีวิตจริงนี่เวลาท่านอยู่ในชีวิตจริงนี่ทุกอิรยาบทของการกระทำมันก็เป็นการประกอบความเพียรเป็นการฝึกสติถึงจะทำการงานอยู่มันก็คือการเดินจงกรมนั่นแหละเพื่อจะบอกเดินจงกรมมันก็จริงจริงมันใช้คำไม่ถูกหรอกมันต้องอท่านมีการทำความเพียรอยู่ตลอดเวลามีการกาหนดสติกาหนดใจอยู่ตลอดเวลาตั้งหา อันนี้กิริยาอันนี้ตัางหาคือการภาวนาแท้คือไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเดินหรือจะนั่งหรือจะนั่งท่าไหนเพาไม่งั้นมันก็จะกลายว่าเอ้ยนั่งขัดสมาธิเพชรดีกว่านั่งขัดสมาธิธรรมดาหรือว่าดีกว่านั่งพับเพียบอันนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ใช่ละเพราะนั้นต่อให้นั่งขัดสมาธิเพชรจนขามันขาดไปเลยแต่ใจเราก็ยังแบบไปอยู่กับอารมณ์ โลภโทสะโมหะรักะอันนั้นขาขาดกิเลสไม่ขาดแต่ถ้าอย่างนอนเนี่ยเรานอนแล้วนอนด้วยกิิยาอาการของใจที่เรามีสติคอยห่างไกลจากโลภโทสะโมหะรักะอันนี้ต่อให้นอนก็นอนแบบกิเลสขาดจากใจดีกว่าตั้งเยอะเพราะนั้นพอเราพูดถึงการฝึกเนี่ย คนมันมีสองส่วนใช่ไหมร่างกายอันหนึ่งจิตใจอันหนึ่งเราอ่ะชอบตัดสินกันที่เอาตามองใช่ป่ะต้องอย่างนี้อย่างงี้นี้นี้แล้วเราก็ส่วนมากอ่ะเวลาเราประเมินตัวเองด้วยนะประเมินตัวเองด้วยบางทีเราก็ประเมินจากร่างกายเราเนี่แหละใช่ป่ะอย่างบางคนเงี้ยประเมินจากจากร่างกายตัวเองประเมิอนอยังไงประเมินว่าเฮ้ยความคิดมันยังไม่หมดสักทีหนึ่ง มันยังคิดอยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็รู้สึกไปเองว่าว่ยเราทำสมาธิไม่ได้เราเข้อสมาธิไม่ได้แม้แต่ตัวเองบางทียังเอาเอาร่างกายตัวเองเป็นตัวประเมินเลยแต่มันประเมินไม่ถูกจุดอะสิ่งที่มันต้องประเมินคือจิตใจเราต่างหากว่าใจเราอะถึงมีความคิดอยู่ใจเราฟุ้งซ่านไปกับความคิดไหมใจเราไหลไปตามความคิดไหม แต่ถ้ามันมีความคิดอยากคิดคิดไปเราดึงใจมาอยู่กับลมหายใจอยู่ที่สติเฉพาะหน้าอยากคิดอะไรคิดไปอยากดีดีไปช่างมันอยากเสื่อมเสื่อมไปช่างมันถ้าเราประเมินอย่างเงี้ยมันดีแน่นอนประเมินถูกจุดอันนี้ก็เล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติทํามันเป็นเรื่องของ จะว่าไปมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะแต่ด้วยว่าคนเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนคือร่างกายและจิตใจเราเอาร่างกายของเราเนี่แหละเป็นตัวที่จะเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่จะมาฝึกใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาร่างกายมาฝึกเพื่อมาฝึกใจิตใจเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ไปไ ป, ประเมินร่างกายว่ามันเป็นยังไงแต่ประเมินว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็ต้องประเมินให้มันละเอียดรอบครอบนะ อย่างเช่นบางคนเนี้ยโอ้ฉันทําสมาธิดีมากเลยแต่บางทีมันมันดีตามอยากอะตามอยากอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครละเอียดละอ่อนะเท่าทันความอยากเท่าทันกิเลสในใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะนั้นแต่ละคนมีหน้าที่ประเมินตัวเองให้มันดีรักษาใจของตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยส่วนใครจะเป็นยังไงก็มาคุยมาบอก ก็พอคุย SI กันให้มันพอเข้าใจกันได้บ้างนิดหน่อยก็ชีวิตได้ว่าทางเดินเป็นยังไงตรงนี้เคยผ่านมาแล้วมันไม่ดียังไงก็มาบอกเล่าให้เล่าสู่กันฟังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ามันยังมีทุกข์อยู่ในใจเราต้องทำงานต่อไปถ้ามันไม่มีทุกข์อยู่ในใจเราก็ทำงานต่อไปอ งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อว่าเราประมาทนะพอบอกว่าอเออตรงนี้ฉันไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยฉันทําอะไรก็ได้ไม่ใช่แล้วคนที่ทุกข์น้อยน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขายิ่งไม่ประมาทนะเพราะเขาเห็นโทษของการที่มีทุกข์แล้วใช่ไหมแล้วก็ทําดีขนาดไหนทําได้ดีมากขนาดไหนแล้วเนี่ยทุกข์มันถึงแบบลดลงไปเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่ประมาทหรอกก็เหมือนเราเป็นเศรษฐีอะ ยิ่งเราเป็นเศรษฐียิ่งเรามีความาผ่านความจนมาเราสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้เนี่ยเราเราไม่ประมาทหรอกเรารู้ว่าความจนมันเป็นยังไงความลำบากมันเป็นยังไงเราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทาให้ทางเสื่อมที่จะกลับไปเสื่อมเหมือนเดิมอ่ะมันเกิดขึ้นนอกจากที่จะหามาได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะหมั่นรักษามันให้ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นความเพียร่ะ พระเจ้าก็จึตัดไว้ว่ามันต้องทําต่อนเนื่องภาวิตาพระอุรีกรตายช่ไหมทำบ่อยๆทําำเดืองมันก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่บางทีคนเรามีาพับลักษะว่าทําดีแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะหยุดเราจะพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ทํทาไปเรื่ อ, อยๆแหละเพียงแต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งเราทํางานได้ง่ายขึ้น ไม่ลำบากเท่าเก่ายกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนเราต้องพิมพ์ดีดใช่ไหมพอพิมพ์ดีดเต้เต้เต้เพิมพ์ผิดไม่รู้จะแก้ย่งไรเขาก็เปลี่ยนกระดาษไปใหม่ก็นั่งนังพิมพ์ใหม่เต้เต้เต้พอดีขึ้นหน่อยเริ่มมีลิควิดมาป้ายแก้สะดวกขึ้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่สวยจัดหน้าจัดอะไรก็ลําบากจัดยากแล้วก็ โอกาสที่จะต้องมานทำงานใหม่ซ้ำเนี่ยมันก็มีเยอะแต่ทีนี้พอมีคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะก็ง่ายจัดอะไรให้มันเรียบร้อยแก้คำผิดอะไรให้มันเรียบร้อยในนั้นอ่ะอุปกรณ์ก็ไม่ต้องไปพกเล็กลงกฤทิลอียเกรดกดปุ่มแบ็ s สเปซไปจบละทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าไปเปรียบเทียบกับสมัยสัก30สี่สปีหรือ5้าสิปีก่อนงานชิ้นหนึ่งด้วยอุปกรณ์ณปัจจุบันมันทุนแรงไปเยอะและ้วใช่ไ ฉันได้ชั้นนั้นอ่ะเวลาที่เรามีศักยภาพในการทํางานที่ดีขึ้นละเอียดขึ้นงานในหนึ่งชิ้นที่ดูยากๆสมัยก่อนมันก็เหมือนจะทําได้ง่ายๆในสมัยนี้คนที่ภาวนาดีแล้วผ่านผ่านมาได้อย่างดีแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับคนที่อ่ะไปเทียบกับสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มฝึกหัดใหม่ๆอะมันก็จะเห็นได้ว่าโ อ, อ้กว่าจะแก้ไขปัญหาได้กว่าจะทําอะไรได้มันก็ใช้เวลานา น, านแต่สมัยนี้เราก็ ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าเก่าแล้วทําง่ายขึ้นทําสะดวกขึ้นแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราหยดแก้ไขปัญหาแนละ้วแล้วก็ทํางานก็แก้แก้แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่เราไม่เหนื่อยเราไม่ไม่หนักเท่าเก่าพูดไปก็โมไปจนหมดเวลาก็พักอีกสิบห้านาทีก่อนนะ